ฝังธมวันนี้เป็นวันที่กำหนดก็มาทถวัดร่วมกันเพื่อพังธรรมกันนี่ปกติก็ต้องวัดทุกวันอยู่สำหรับผู้ประสงค์จะเป็นกรณีพิเศษเพื่อผูกขนตนเองก็กำหนดเอาวัดปฏิบัติของตนเพื่อให้ีิติเต็มที่ เป็นชีวิตส่วนตัวมากเต็มที่โดยใช่ความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการเจริญสติตะครับประครองตัวแดตัวเองให้คุ้มดูแลกายุแลใจของตนของตนให้รอดปลอดภัยโดยการใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวยังไม่แบ่งให้ใครแต่งวนเวลาไว้ใช้ของส่วนตัวก่อน ถอยใช่เป็นก็มีประโยชน์ถอใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์มีโอกาสอยู่คนเดียวชีวิตส่วนตัวเห็นเจอตัวจะทำอะไรก็ได้แต่หมกวนคนคิคคดอาศัยความสงบเพื่อหลบดีเพื่อทำความชั่วเพื่อโง่เง า, งานี่ก็ไม่สมัยก่อนผู้เจ้าก็เคย ด, ด, ดูดตาขอสงที่หลีกเล่นปริวิเวกในป่า อยู่ป่าเพื่อโง่อยู่ป่าเพื่อฉลาดเพราะโง่จึงอยู่ป่าเพราะฉลาดจึงอยู่ป่านี่ก็เหมือนกันเราจึงไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเองรู้ตัวเองเราจึงดูแลตัวเองให้ ด, ดีปฏิบัติธรรมก็คือดูแลตัวเองให้คุ้มไม่ใช่หลบลี่หนีไปไหนนี่ไม่มีที่รับ ความับกับคนอื่นพอที่จะรับได้แต่ความรับกับตัวเองเนี่ยไม่มีแน่นอนแม้แต่ความคิดการแสดงอะไต่างๆเราเป็นผู้ที่เห็นตัวเราเองอย่าหลอกตัวเราผีหลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองถ้าเราก็ต้องพอสมควรในการฝึกตัวเองอาศัยหลายๆอย่างแรง เสืมเข้าไปมาราใัยทุดงบ้างวัดปฏิบัติก็ใดข้อหนังจบมาเพึกตัวเองบางทีเห็นเจรตัวเห็นเจรหลับเจรนอนเห็นเจ่อยู่เจรกินเห็นเจอตรองทะดกสบายแล้วก็มีวัดต่างๆตามทุดงกวัดสิบสามข้อนำมาใช้ประกอบด้วยเอกาในกังคะฉันอาสนะเดียวเป็นวัด แลูกจากที่นั่งนี่แล้วไม่ฉันอีกในเวลาที่เราจะต้องสมาทานทุดงลูกขมัว ล, ละวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดไม่มีที่มุงที่บางอะไรไมันมีกฎอยู่ปรากฏอยู่ไม่เลวว่าลูกขมัว ล, ละวัดผีผ้าสามพืนเป็นวัดบินถบาตเป็นวัดอะไรต่างๆ จะนั่งจะนอนจะเดินเป็นวัดกาหนดเอาเนี่ยเราก็เอามาเสริมด้วยอที่จะจับพุกจับปูไปจับนนจับนี่มันไม่ชัดเจนใส่ใจใจิตใส่ใจตามตามงานของตนติดตามให้ได้เนี่หยหลายๆอย่างยิ่งเรามีสติก็ยิ่งชัดเจนหลายอย่างสติทำให้แม่นยาชัดเจน แต่ผู้จ้จาปาศรีจะกอบคิดแต่ใช้ชีวิตส่วนใดปลีิย้อยส่วนใดชัดเจนลงไปใส่ใจหยามน้ำก็ใส่ใจจะแปลงฟันก็ใส่ใจแต่ผู้จ้าจาก็ใส่ใจจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะกจจะบจฉันก็ใส่ใจให้ชัดเจนอย่าพลาดจะเตือนให้งดงามอจะหลับไปให้งดงามนอนสว ย, สวย อย่ทิ่งตัวทิ่งกายทิ้งใจเกินไปเวลานอนก็ให้มังงามบางขาวางแขนท่านุ่งก็หม่มนอนท่าทางงามๆตัออย่างคุณเจ้าตะแคงข้างขวาถ้าตะแคงข้างซ้ายมันทับหัวใจอาจหายใจไม่สะดวกตะแคงข้างขวาพอประมาณบางตัวให้ดีบรรจงในการนอน เวลานอนก็มือก็ไม่ไม่ทำอะไรแล้วตายก็ไม่ทําอะไรแล้วใจก็ไม่ทําอะไรแล้วอย่าหาเรื่องมาคิดในเวลานอนมีสติร่องไกลกํากับส่วนใดส่วนหนึ่งเวลานอนก็ปฏิบัติธรรมได้โอกาสดีเวลานอนได้ปฏิบัติธรรมหมายใจก็ได้แต่กดิกนิ้วก็ได้ ถ้ามันนอนไม่หลับกลมตัวเองก็ดีคลื่นใจเวลานอนไม่หลับจะสนุกทาความเพียรอย่าเอามาเป็นโทษเป็นภัยเอามาเป็นประโยชน์ทั้งหมดส่วนโดยที่เกิดจากกายจากใจเอามาเป็นประโยชน์จะให้มีโทษอย่าสร้างปัญหาให้ตัวเองถ้าเราไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองได้แล้วก็ไม่สร้างปัญหาหคนอื่นให้บีบเบียนตนเองก็ไม่บีบเบียนคนอื่น หวเนี่ยให้มั่นใจในการกระทําของเราในการใช้ชีวิตปัญหาของเรามีแน่นอนเกิดแจ่เจ็บตายเพื่อเราต้องเตรียมตัวอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นกีฬาไปเลยมีประโยชน์มหากการฝึกตนสอนตนเนี่ยยิ่งเรามาเจริญสติแล้วก็มีสูตรอยู่แล้ว กายเคลื่อนไหวมีสติมีสติดูกายแล้วก็มีอยู่จริงกายก็มีจริงสติก็มีจริงสัมผัสกับสติสัมผัสกับกายจริงจริงไม่เลยเอาเหตุเอาผลนั่นใดมันมีอยู่กายก็เอาส่วนใดก็ได้เอามือสร้างจังหวะเท่าเดินจังกลมเอาลมหายใจเข้าออก ส่วนหยาบหส่วนละเอียดมีอยู่จริงตามรู้ตามเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเฉพาะเรื่องไม่มีว่างเว้นมีนิมิต ม, ม, มีที่เกาะมีที่ผึกเราจะผึกอะไรต้องมีนิมิตมีความหมายจะว่าผึกควยผึกช่างผิดไหมจะให้ทําอะไรตามความประสงค์ของเรา เหล่านี้ก็เหมือนกันอันเปก่อควาวเผื่อควายังนอกตัวอยู่อันเผื่ตัวเองมันอยู่กับตัวเองแท้ๆอย่าหลอกตัวเองเผื่ใจมันก็มีอยู่จริงใจเนี่ยมันคิดมันมีสุขมีทุกข์มีผิดมีถูกอะไรเกิดกับใจเยอะแยะเอามันมาเผื่อย่าให้มันเถื่อนเกินไป สอรู้สอนเห็นมันมันสุกก็เห็นมันมันทุกข์ก็เห็นมันมันสงบก็เห็นมันมันพุ่งช้านก็เห็นมันอย่าให้มันเป็นอิจฉะเพราะเราถูกฝึกเราฝึกจิตของเราแล้วปล่อยปปแล้วเลยมันก็เกลี่ยเหมือนกันจิตใจเน่ะสามสอนมามาววเป็นสังขารเป็นจมวไทย ไปเป็นกิเลสตัณหาอะไรต่างๆได้มากมายปัณหาต่อใจแล้วไม่พอกระทบตัวเองกระทบต่อคนอื่นด้วยการปฏิบัติธรรมคือการดูแลตัวเองให้ดีๆนี่แหละดูตัวเองให้คุ้มมันมีอยู่จริงใจกายก็มีอยู่จริงสติก็มีอยู่จริงเข้ากันพอดีไม่มีอะไรที่จะฝึกได้เท่ากับ สติกับกายสติกับคิดใจเราก็ต้องให้มั่นใจจะรับความชั่วที่กายก็ละได้ทันทีจะทำก็ดีเอากายก็เอากายทำความดีทันทีนั่งเฉยๆงดงามไม่ผิดศีลจะรับความชั่วก็ละได้ทันทีอะไรที่มันนำชั่วอยากกายวางลงวงได้ ไม่ต้องรอีลอทันทีทันใดมีสติเข้าไปจะเอาใจมาทำความดีก่ทําได้ทันทีจะเอาจิตใจมารลบวความเชื่อก่อนได้ทันทีอาจะแผ่เมตตาในใจมองนี้ดีอะไรต่างๆดาขาดแขนคิดจึงได้ กอบด้วยเมตตาทำสิ่งในประกอบด้วยเมตตาพูดสิ่งในประกอบด้วยเมตตาตั้งแต่ด้านและรับหลังในสพาะสิ่งทุกสิ่งเสริมเข้าไปอย่าเลือกที่ลักมากที่ชังให้เป็นอปัมยากว้างใหญ่ไพศาลบางทีกรรมาฐานมีสิ่งเหล่านี้ขวางขั้นเป็นอคติเกิดขึ้นได้ บางทีมันมีนิสัยมาก็ฝึกนิสัยเอาพระพุทธเจ้าเป็นนิสัยเคารบพระธรรมคำดีก็ดีคำชัววช่วก็ชั่วอย่าทิ้งตรงนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมเป็นมาแล้วเป็นอยู่ไปด้วยร่างพระพุทธเจ้าที่สอนอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นมาแล้วกําลังเป็นอยู่ กำลังทำอยู่ข้ลบข้าลบความชั่วข้ารลบความดีจเจองได้ที่ความชั่วอย่าเข้าไปใกล้ข้าวลบได้เป็นความดีเนาะมันก็มาข้าวลบต้องโบยเทียนสอนพวกเราข้ารลบขี้ไก่ขี้ไก่เนี่ยมันของเหม็นอย่าไปเหยียบมันถ้าเห็นเล่าเลีกมันถ้าไปเหยียบมันเหม็นมันก็ติด ตัวเราไปนั่งอยู่บใครเขาก็เหม็นยิ่งเป็นสิ่งหน้าเขาลบความชั่วจะามาพูดจะามาคิดจะามาทำเหมือนเนี้ยอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นให้เราเห็นดูวันนี้มันมีการแสดงความชั่วเต็มไปหมดนอกจากเป็นสิ่งแวดล้อมบางทีก็อยู่กับเพื่อนของเราก็มี ไปบิน บ, บาทเพื่อนเราวางครั้งก็ประมาทหลงตัวชวนพูดชนคุยล้วก็เคารพไว้ไม่ควรพูดก็ไม่พูดไม่ควรชิดก็ไม่ชิดไม่ควรทำก็ไม่ทำก็มองว่าเพื่อนเราประมาทแล้วเพื่อนเราหลงแล้วก็สอนตัวเองเราจะไม่หลงเหมือนเพื่อนเราหลงเราจะไม่พูดเหมือนเพื่อนเราพูด ก็จะไม่ทําเหมือนเพื่อนเราทําเอาความไม่ดี่มาสอนตัวเราไม่เอาอย่างเอาอย่างความดียิ้นพิกจุนีไปหยกเข่าเขาคิดกูดก้างเขาคิดกูดมันเป็นห้วยพิกจุนี้เห็นควันช้างเอาช่างอาบน้ําบอกช่างลงไปควันช่างก็นั่งอยู่ ข้างนบนฝังบอกให้ช่างล่างหลังมันก็เอาดูดน้ำมาพ่นหลังบอกให้ช่างเอาน้ามาล่างข้างมันก็เอาดดน้ามาพ่นข้างรายข้างขวาบอกให้ช่างล่างท้องช่างก็ดูดน้ำมาล่างท้องช่างก็ทำตาม บอกไอ้ช่างมุดดำลงไปช่างก็มุดลงปลอยบอกให้ช่างขึ้นมาช่างก็ขึ้นมาบอกไอ้ช่างนวดตัวบนต้นไม้ช่างก็ไปนวดตัวนวดหลังนวดข้างซ้ายนวดข้างขวานวดท้องก็เห็นไหมต้นไม้ ว่าเอหลังนลดนวดนวดนวดนวดบางีเอาข้างนวดนวดอ่นข้างซ้ายนวดนวดพางทีก็มองกอท้องเอ็นทองนวดข้างซ้ายข้างกว่าจนเกิดเห็นอุทยานหินช่างสีในภูเขาฟองหนีบที่มีหลวงตาเคยไปเอาต้นไม้ต้นกล้าที่นั้น เรียกว่าอุทยานหินสร้างสีหินก้อนหนึ่งมันสําหรับช่างสมัยก่อนช่างป่าเวลามันลงน้ํากรมาสีก้อนหินเป็นรอยอยู่หรือว่าอุทยานหินช่างสีไม่ว่าจะเป็นไรก็ตามชาวว่าเชารลวนเราเนี่ยวัวควายถ้ามีใจผมจะลิ้ตัวมันช่างก็เหมือนกันวัวควายก็เหมือนกันก็เห็นไหมโยง มันสีเสาบางทีเสาว่านเรามีขนขาดอยู่เต็ไมไป่มดเลยมันนวดตัวมันมันโลภกลมไปนวดตัวอย่างเงี้อันนี้เครื่องนวดมันวิวัฒนาการเจริญขึ้ื่อเป็นแสนแสนล้านล้านแต่ไม่ก่อนเอาโทนไมล่ละภิกษุณีเห็นช่างปฏิบัติตามคำสั่งของผววช้างเอาอย่างช้าง ต่อไปนี้เราจะสอนเาราภาษาช้างก็ยังสอนได้เอามาสอนตัวเราเองอะไรเป็นความดีเราจะรู้สึกตัวอยู่นี้เราจะมีสติลมหายใจเราจะวางปล่อยวางตัวตนความทุกข์ความรักความชั่งจะวางมันเกิดที่ใดวางสอนตัวเราไม่นานได้เป็นผลาดันเดียรึ่เนเอาอย่างช้าง แล้วก็มีแบบฉบับอยู่แล้วแบบจ้างอยู่แล้วพระธรรมวินัยของเราอ๋อใส่ธรรมวินัยเป็นใหญ่ในพวกเราเขาลบทำธรรมะอยู่ภัยหน้าเคารบธรรมะอยู่กับพ่อกับแม่กับหน้าเคารพพ่อแม่ธรรมะอยู่ในครูอาจารย์ก็หน้าเคารบครูอาจารย์ธรรมะอยู่กับลูกศิษย์ก็หน้าเคารบลูกศิษย์ธรรมะอยู่กับแม่ชีพิษุณีพระสองยอดยมก็ปุขคนที่หน้าเคารพ เคารพทำมีที่มีอยู่ในคนแล้วก็มองอสิ่งที่พูดออกมาเป็นปิยะวาจาจีคิดแล้วก็มองเห็นจิตเดิมเดิมที่เกิดจากจิตใจของคนโดยหน้าตาก็รู้ปกติแล้วก็เคารพอยากเข้าไปใได้เหมือนพระเจ้าไปบินทัาบาลตาม เห็นพูะิฆาเวินเทาบาทปโทูอะไรปาทูฮะปรามาอะไรอองเห็นพระเจ้างอเลยปาทูว่าชะทูถ้าใครมีลูกชายอย่างนี้พ่อแม่ระนีพาน ถ้าใครมีศสืมีอย่างนี้พัญญาได้นิผ่ผพานถ้าใครมีพี่ชายอย่างนี้น้องได้นิผ่ผพานถ้าใครมีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนได้นิผ่ผพานเห็นหน้าก็เยินใจแล้วอ <c oughs> ้าวเพือะไว <c oughs> อรวะเพาะเข้าลบทำปัดโทปดโทมีไหมเห็นกันแลโอยบบอยากเข้าไปใกล้บบอยากเข้าไปใกล้ เราจะไปเป็นสิงเป็นเสือทับายคนเราแท้ๆไปเกลียดไปชังกันทำมายิยชงาเบียดแยงทำมาความเป็นมนุษย์ของเราเคยเจ็บเจบตายมาทำกรามดีเนี่ยมาช่วยกันเราจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเอามาทำกรามดีมันอาศัยได้กรามดีเนี่ยมันบริสุทธิ์ตื่นก็สบายจะหลับก็สบาย แต่ไายก็สบายตาเคยตายถ้าจะพูดว่ามันไม่อยากจะเลื่อมเรื่องนี้เลยตายลงไปใจยิงเหมือนฝ้า ย, ยางั้นเช่นฝ้ายกิวที่สุดลแล้วก็วาอมไม่เป็นไรเราไม่มีบาปไม่กรรมอะไรไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไร ชืนใจไม่มีผลกระทบกระทือนไม่มีสะดุ้งอะไรในบาปในกรรมมีแต่ทำความดีมาไม่เคยปิดสิงปิดทำมีแต่ความดีอาจารย์ต้จับมืออยู่ถ้าเราตายก็ไม่ไม่ตกนรกเด็ดขาดไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุลกาจากน้อยต้องมีสุขติ ก็ดีก็ตายไปทนะี่ไหนตายไปก็มีเทวดามาจับมือเนี่ยอันจะบายเอจริงจงนะมีเทวดามาสุขติสบายมีเทวดามานวดมือให้ข้างซ้ายข้างขวาเทวดานี่มาจริงจริงนะเทวดาที่นวดมือเราเนี่ยต้องมาจาก แบบนี้มันตะสาวติชั้นสูงสุดปกจ่าตรงนี้ไม่มาพวกนี้มันชั้นต่ําตั้งเทวดาชั้นสูงล่ะเทวดาจริงเลยแล้วอยังปลุกตัองขึ้นมาปลุกตัองขึ้นมาพยายามสร้างความองบ เ, เห็นใจนตุ้มนวดไปก็ <c oughs> นี่ใจตุม้มจจนวดนี่ไม่เคยหลับเคยนอนหรื อ, อข้างเตียงใจกันคิดตรงนั้น ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยไม่ความสุขไม่ความสงบไอบไ้บ้าใจเป็นทุกข์หนไม่มีแน่นอนถ้าเราไม่มีบาปไม่กรรมแต่ว่าถ้าคนมีบาปไม่กรรมเนามีทุกข์แน่นอนก ล, กลัวแล้วกลัวแล้วพ่อลองอยู่ลูกก็นั่งอยู่อกลัวแล้วกลัวแล้วลองอยูล่ลูกเต้าก็ กลัวอะไรพ่อกลัวอลไรเอ้าเขาไล่จับกูอยู่นะสูงไม่ดูหรือไม่มีดอกไม่มีดอกโอ้แม่ไม่ดูเนี่ยมันไม่ดูพ่อเลยเนี่ยเอาไล่จับพ่ออยู่ไม่ช่วยพ่อเลยนะใครก็ช่วยไม่ได้ลูกนั่งจับแกเนี่ยกลัวแล้วกลั ว, ลวอะไรมันสะดุง้งมันมีบาปเป็นคำนะดาไปเห็นก่อนจะตายนะแต่ก่อนก็เป็นหมอก่อนจะตายก็ไปดู ตกเบ็ดอยู่วางมือไว้ได้ต้องปล่อยให้แม่ทําอสังเกตว่าตกเบ็ดแม่คนนี้ตกไปเบ็ดตอดเวลาไปชิดเบ็ดอดีก็เ ป, ปิดปาใส่ข้องจับแขนไว้มาอยู่ปล่อยนั้นต้องปล่อยให้ทำมันจับไว้ไม่ได้แข็งไปหมดเลยอั น, นี้ก็ มันเคยชินนะ่ะมันติดเป็นมินิยนไดยไม่ใช่เรื่องเหลวไหลาบาปกรรมนะ่ะมันเป็นตามันติดนะทำดีเถอะพวกเรามีสติสมัมปชัญญะอย่าไปอาศัยใครทั้งสิ้นแล้วมาปฏิบัติธรรมหรลาอาจารย์มาสิบวันลูกบอกลูกก็จะมาสิบวันได้สิบวันแล้วสิบห้าวันนี้แล้ว ไม่มีอำนาจเราต้องอิลฉาต้องแวกผ่านต้องทวนพอสมควรอย่าอ่อนแอต้องทวนกระแสแบกไปแล้วจะมีอะไรอยู่ไม่รู้ปาริพภ o มันไปไหนไหม่ได้ปริพภ o เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลูกดึงไว้ยตดปริพภ o หว่วงยตด ลูกหลานบริพ وث ห่วงลูกหลานทรัพย์ปริพ وث ห่วงทรัพย์สมบัติอ่าต่างๆมีปริพ وث ทำให้เราห่วงยิ่งจะตายมันจะยิ่งนี่ผูกเข้าไปตอนหาหลูกหมืนเชือกโผล่คอตอณหาผัวเยหมือนสอบโผล่สอกตอนหาของของเหมือนปอกศพถอดบริพ وث ไปไมาได้บางทีก็ห่วงห่วงอ น, นัตต์อันนี้ขึ้นมาจะรู้สึกตัวไม่มีอเลย ยิ่งเวลาจะตายเนี่ยยิ่งกังวลอย่างคนยนะุกดิลุกโดนกลัวจะเป็นไงไม่เลยจะปล่อยลองปล่อยเราว่าสร้างสต ว, วางรู้ถึงตัวบรรลุอิสระเต็มที่คอมีสติปลอดจากปัญหาต่างๆปลดปล่อยตัวเองเวลาใดเราไหนสร้างสติมันงุดงามสุดหวัวใจมันสุดหวัวใจเรา โอเจ้าวะสมัยหนึ่งพระเถละทั้งหลายไปอยู่ในป่าอาโนอนอวาเลอนรุทธะงกคลานะสารีบทไปเห็นป่าสังสารสูตรต่างก็ฉสนป่าดีอย่างนั้นดีนี้ป่านี้ดีนะสำหรับพระห้อสูตรอยู่ที่นี่เหมาะที่สุด อานนนพูดต่อธุดไป่ใช่ป่านี่ดีสําหรับพระผู้มีปัญญาเซอรบุกันละพูดไป่ใช่ป่านี่เหมาะสําหรับผู้มีฤทธิ์ที่ปฏิหารออกนุตตพูดป่านี่ดีสำหรับรผู้ญญ ท, ท, ที่มีฌานสมาบัติอยู่เหมาะสมอุบะลีพูดขึ้นป่านี่ดีสําหรับผู้ทรงธรรมทรงวิ น, นัย พระเจ้าเดินมาภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันอาโดนก็นพูดขึ้นอาวารีก็พูดขึ้นสารีบุตรมกลรนะอรุณทะพูดขึ้นพระเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ่านนี้ดีสำหรับเวลาฉันข้าวมาวางบาตลง ดำรงสตินั่งตัวตรงดำรงสติมีสติสัมชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมป่านี่จะดีสำหรับบุคคลผู้อยู่ประเภทนี้ที่ ส, ส่วนไหลสาธุลงตัวเลยเดียวดีสำหรับผู้ที่มีสติรู้สึกตัวนี่ที่ใดก็ดีถ้าเรามีสติที่ใดไม่ดีเลยถ้าไม่มีสติแนละ้วอยู่สวรค์ก็อยู่ไม่ได้ร้อนดกร้อนใจ ถ้าอยู่กับสตินี้มันจะเย็นสุดหอยใจเวลาใดเราเดินจมกรบอยู่ทางเดินรู้สึกมันไปเสริจที่สุดนี่ทรัพั์ของเราโอกาสนี่เราเต่นที่จะนอนยังไงจะจินงไงไม่ต้องคิดให้ชีเขาคิดให้แล้วลงทานเขาคิดให้แล้วโสดายพวกเราว่าจะได้ทำาแล้วนี้สักทีเถงให้มันสุดหอยใจเรารดน ว่าเ ม, มีปัญหาอะไรก็มาถามเรามีเพื่อนโลกเราอยู่ที่นี่จะไม่พาหลงทิศหลงถาอาศัยพระธรรมคาสอนที่เป็นสัจัดรมมาช่วยกันเวลานี้มันน้อยอยู่กรรมฐ า, านในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่เรียกว่าภาวนาเ่มีน้อยในพุทธบริษัทสอนมากออนอื่นมากมาย ให้พวกเราเลยตัดเินใจทำลองนี้ลองดูอย่าไปจริงจังจนข้ามเครียดนะสนุกสนุกผิดก็หัวโลมันถูกก็หัวโลมันทุกข์ก็หัวโลมันสุขก็หัวโลมันแล้วมันผิดแล้วไม่พอใจไม่ใช่นัด ก, กรรมฐานอันเดียวเราจงวางใจวางใจสู่ความปกติไม่วันปลายเราเราเจริญสติโจงกตดก็รู้ อย่าไปโกรธทั้งโยงบางทีโกรธทัานโยงให้ลื่นน้องชายร้องตานะไหนาร้องให้ลื่นมันกัดหูร้องให้ไล่เท่าไหร่ก็มันกัดแต่ว่ลื่นเนี่ยมาเป็นตัวเท่าคั้ยมาตีกูเลยนะอยากให้ลื่นตัวเท่าขวนะ้วเนี่ยมาตีกันลองดูตัวเล็กมันมุ่นหูมันมุนโอ้ยหูบวมหมดเลย ให้กอดเปนชาวนาใช่ไหมชาวนาเรียบยุงลิ้นไหกัดหูอย่บวงหมดแล้วนันนอะไรก็โกรธได้ลินตัวเล็กก็ไปโกรธให้มันโกรธให้ตอเวล า, ถาไถปตีตอโกรธให้ตอเดินไปสะดุดตอโกรธให้ตออมไม่ฝันตอ ว, ว่าขา ต, าตัวกถ้าตอมันพูดเปนมันก็บอกว่า โอ้ยผมก็เกิดอยู่ในนานแล้วแต่มันล า, ากอย่างเลี้กลงไปแล้วเจ้าโบดูมาส้นคอยฉัางนะ้นก็โกดธให้ต่อก็มีบางคนโกรธให้ขังเหมือนพ่อจะอีเน่ะไปชนขังม้านตัวหัวแตกเอามีดมาฟันขังบ้านตัวอย่างนี้บ้านใกล้ๆกันหลงุงตาบางคนมันหาเรื่องง่ายอะไรก็เขดตกน้ำหอกตาแค่นี่จะมาดูวเองเดินไปชนต่อ แจ้งว่าเราไม่รู้ดีแล้วขามันแตกจะได้ระมัดระวังไปโกรธให้ต่อคนเขานินทาโกรธเนีเขาเราต้องรู้ตัวเราคน้นสเส้นก็พอใจกับเขาไม่ช่ต้องรู้ตัวเองไม่อคนมีสติกลับมาบัณฑิตมองตัวเองนะผิดมองตัวเองถูกมองตัวเองคนอื่นผิดมองตัวเองคนอื่นถูกมองตัวเองจุกทุกข์มองตัวเอง คนพานมองไปข้างนอกเอาผิดคนอื่นเอาดีกับคนอื่นบัณฑิตเขามองตอนเหมือนกระส่ององะไรกระจกมองไปข้างหน้าเิงแต่วําดดูตัวเองให้เห็นตัวเองนะความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้มนันสะท้อนรู้เจ้าตัวอะไรเกิดขึ้นรู้จึกตัวไม่มีสิ่งที่หลอกตัวเราได้เนี่ยฝึกตนสนตอนตนโอกาสเต็มที่ พออยู่กันได้เนาะไม่ลาบากอะไรถ้าลําบากก็บอกพวกเราเราก็พละสงอยู่ทีนี้ก็ช่วยกันดูแลกันบ้างเวลานี่ร้องตาก็แหลงหมดหลงหน่วยตอนเช้านี่ก็พอพูดได้เราตอนเย็นเนี่ยไม่มีเสียงเลยนั่นเป็นธาตุโรคไร่กินชีวิตไปสนเชื่อไปหมดหรอ อันที่มันไม่ค่อยมีนะอ่าก็พวกเราก็ช่วยช่วยกันพระสงฆ์ก็ดูแลกันหาข้อมูลให้ได้ที่เป็นผู้รับผิดชอบตร่องในการสอนคนให้เป็นปัจจุบันเอาเรื่องที่เขาจะทำมาพูดมาสอนก่อนเราเวลานี้เรามาเจริญสติมีความรู้สึกตัวพูดเป็นเรื่องนี่แหละให้มันได้รู้ได้เห็นนะวัย ลุ้ไว้ไม่ใช่บาแบะหามดูลแล้วก็บวางเยน็ยนๆดีสุดถึงความไม่มีไม่เป็นอะไรนั่นแหละเบาวิวเขาก็มีได้ทุกโอกาสความไม่มีไม่เป็นอะไรไมีได้ทุกโอกาสเอามาใช้เป็นชีวิตประจําวันเรามันสุขไม่เป็นผู้สุกเท่ามันทุกข์ไปเป็นผู้ทุกข์ไม่มีเป็นอะไรกับอะไรลไปเรืย มันจะชำนาญวัดเรื่อยไป